นมัต ก, การครับเจริญพรเดือนหนึ่งได้ปฏิบัติไหมถามจริงๆะเดือนหนึ่งนี้ใครไม่ปฏิบัติมั้งมีไหม ย, ยกมือให้ดูนะมีนะเห็นดีว่ามีน้อย ธรรมะจริงต้องปฏิบัตินะไม่ปฏิบัติมันไม่ได้ผลหรอกจะมานั่งฟังกับบ้านมีพฤติกรรมเหมือนเดิมมันก็ผ่านวันเพือนปีไปก็เหมือนเดิมหรือแย่ ก, กว่าเดิมธรรมะต้องปฏิบัติมันเป็นการฝึกตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะ ถ้าเราภาวนาเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างเราเป็นคนทำผิดศีลได้หน้าตาเฉยมันจะเปลี่ยนไปทำผิดศีลไม่ได้เวลาจะคิดจะทำผิดศีลมันละอายใจไม่กล้าทำเคยเอาแล้วเราเปรียบคนอื่นอรย่างนี้เราภาวนาแล้วมันก็เปลี่ยนไป ไม่คิดจะเอาเปรียบใครมีแต่ช่วยเหลือสงเคราะห์คนอื่นเท่าที่ทำได้จิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเราภาวนาแล้วจิตใจก็อยู่กับตัวเองมีความรู้สึกตัวไม่ลืมตัวไม่หลงตามโลกไปตลอดเวลาคนไม่เคยภาวนานั้นภาวนาไม่เป็น เราจะเห็นว่าตัวนี้คือตัวเราตัวเรามีอยู่จริงๆนะพอพอนาเป็นมันจะเริ่มแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นส่วนๆนะคาว่าส่วนก็คือคำว่าขันนั่นเองขันแปลว่าส่วนนะขันห้าก็คือห้าส่วนนะส่วนทั้งห้านะที่ประกอบกันเป็นตัวเรา คนทั่วๆไปมนแยกขันไม่เป็นเห็นแต่ว่านี่คือตัวเราตัวเราเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าในการเรียนรู้ความจริงด้วยการแยกองค์ประกอบอย่างคนทั่วๆไปเมาเห็นรถยนต์คิดว่ารถยนต์จริงๆนะแต่วิธีการของพระพุทธเจ้าจับแยกองค์ประกอบแยกเป็นส่วนๆอย่างลูกล้อถอดลูกล้อออกมา จากรถยนต์ลูกลอก็ไม่ใช่รถยนต์ถอดกันชนออกมากันชนก็ไม่ใช่รถยนต์ถอดกระจกออกมากระจกก็ไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์มันประกอบด้วยอุปกรณ์จํานวนมากมารวมกันสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราพอเราแยกออกมาเป็นส่วนๆแล้วมันจะพบว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างร่างกายเนี่ยเรารู้สึกทั้งตัวเนี้ยตัวเรา พะเราแยกเป็นส่วนๆแล้วมันจะไม่ใช่เราอย่างทุกเดือนเราต้องไปตัดผมผมที่ตัดออกมานะเราก็ไม่รู้สึกว่าผมนี้เป็นตัวเราอีกต่อไปลนะผู้ชายล้วต้องโกนหนวดโกลลนเคราทุกวันหนวดเคราโกนออกมาแล้วมันก็ไม่ใช่เราหรือทุกอาทิตย์เราต้งตัดเล็บ ตัดเล็บออกมาแล้วเล็บก็ไม่เป็นเราเนี่ยพอถ้ามันมารวมกระจุกอยู่ด้วยกันเรารู้สึกมันเป็นเราแต่พอมันแยกส่วนออกไปแล้วมันไม่เป็นเราสักอย่างเดียวพมกนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยสอนให้ดูพมกลเล็บฟันหนังเพราะมันดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเลยจะมันหลุดออกไปจากตัวเราอยู่เรื่อย อย่างพวกเราในห้องนี้ทุกคนนี่ก็เคยฝันหลุดมาแล้วตอนเด็กๆมีฝันชุดหนึ่งฝันน้ำนมพอโตขึ้นมาหน่อยฝันก็หลุดไปพอฟันหลุดแล้วมันก็ไม่เป็นตัวเราของเรานะเนี่ยร่างกายที่เราว่าตัวเราของเรานะพอแยกส่วนออกไปมันก็ไม่เป็นนะอย่างคนเป็นเบาหวานคนเป็นเบาหวาน นิ้วเนนิ้วเท้าเน่าตัดออกไปไม่รู้สึกว่านิ้วเป็นของเรานะทีตัดนิ้วไม่พอนะตัดเท้าออกไปด้วยตัดขาออกไปด้วยพอตัดออกไปตัดออกไปมันก็ไม่เป็นเราอีกแนละ้ววิธีในการทำลายความเห็นผิดนะว่ามีตัวเราของเราก็คือการแยกส่วนประกอบ ที่เราเรียกว่าตัวเราของเราแยกออกเป็นส่วนๆอันนี้พระสบาลีท่านเรียกว่าวิพัชวิธีวิพัชชะนะพอแหวนสศรษีพอสัมเภาไม่หายขาดชอช้างเวลาเราแยกตัวตนออกมานะแยกร่างกายเป็นส่วนหนึ่งร่างกายก็แยกออกเป็นส่วนย่อยๆอีกนะในทาง แยกแบบพระสูตรก็เป็นอาการสามิบสองแยกอย่างอภิธรรมก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเขาให้แยกแล้วมันจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราในทางนามธรรมนะเราก็แยกได้แยกเป็นคันสี่ขั น, ขนเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึ ก, ก, มสกไม่สุขไม่ทุกข์ อย่งความสุขความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นในกายเราทั้งวันความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันหมุนเวียนอยู่ในใจเราทั้งวันนะเราก็แยกออกมาทีแรกคนทั่วๆไปก็คิดว่าเราสุขแต่พอเรามาฮัดพ่อนาเราแยกออกไปความสุขเป็นส่วนหนึง่งจิตเป็นอีกส่วนหนึง่งจิตเป็นคนรู้มันก็จะรู้ความจริงแล้วความสุขไม่ใช่ตัวเรานะ ความสุขเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่แปรปลอมเข้ามาความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่แปรปลอมเข้ามาความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่แปรปลอมเข้ามามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเนี่ยหัดร <ste> ู้หัดดูไปนะหัดแยกตัวตนออกไปกายไว้ส่วนหนึ่งอย่างขนาเนี้ร่างกายเรามันนั่งอยู่ร่างกายมันนั่งอยู่ใครเป็นคนรู้ ใจเป็นคนรู้เนะี่ยแยกรูปแยกนามค่อยๆแยกไปเป็นส่วนส่วนส่วนไหนพอถูกแยกออกไปแล้วกลายเป็นของถูกรู้แล้วมันจะไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ตัวเราของเรามีเพราะว่าส่วนทั้งหลายมันมารวมกันพอนะมันแยกกันนีไม่ใช่เราค่อยๆดูไปนะ อย่งความจําได้หมายรู้นึความจําได้อันหนึ่งนะความหมายรู้อันหนึ่งเรียกว่าสัญญาสัญญาไม่ใช่ส่วนที่สัญญาอย่างโลกๆกสัญญาว่าความจําได้ความหมายรู้จําอะไรได้ทีแรกก็จําได้ขั้นต้นๆ น, นะเช่นจําได้วันนี้ผู้หญิงนี่ผู้ชายจําได้ว่าเราเชื่ออะไรคนอื่นเชื่ออะไรนะ นี่จำได้ต่อมาก็จำสิ่งที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์อนะเห็นสีแดงถ้าจำได้อย่างเดียวก็จำได้ว่าสีแดงนะถ้าจำได้อีกสเต็ปหนึ่งรู้ว่าสีแดงแปลว่าอะไรเป็นสั ญ, ญลักษณนะ์นี่เป็นเรื่องของสัญญาความจำได้ความหมายรู้ตัวนี้สำคัญนะความหมายรู้ อย่างพวกเราเนี่ยเราจะมีสัญญาที่เรียกว่าสัญญาวิพรราลาดสัญญาวิพรราลาดคือการหมายรู้ผิดๆอย่างเราหมายรู้ของไม่สวยไม่งามร่างกายเราเนี่ยเป็นของไม่สวยไม่งามนะโสโรกเราหมายรู้ว่าสวยว่างามว่าสาอาดอย่างร่างกายเราจริงๆแล้วโสโครกตื่นเช้ามาก็มีแต่เรื่องโสโปรกเนทะ่านั้น เรื่งบำบัดปฏิสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นเลทั้งทั้งตัวเราทั้งแต่หัวถึงเท้านี่แต่ม่เรียกคำว่าขี้นะตั้งแต่ขี้หัวจนถึงขี้ตีนนะหัวถึงเท้ามีตลอดสิ่งโสโคร ก, กในี่ใจเราเนี่ยมันหมายรูผ้ผิดๆนะว่ากายของเราเนี่เป็นของสวยของงามยิ่พวกผู้หญิงจะเป็นเยอะวันวันนั่งสองกระจกะสวยเหลือเกินอย่างเงี้ย ถ้ามีสติมีปัญญาแยกย่อยลงไปในร่างกายไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยอย่างสมัยพุทธกาลนะพระอรหันต์เนเวลาท่านมองผู้หญิงเนละผู้หญิงมาจีบท่านอ่ะบางทีท่านบอกตรงๆเลยว่าน้องหญิงท่านเรียกสุภาพนะน้องหญิงเราเห็นเธอเนี่ยนะไม่ได้สวยงามอะไรเลยร่างกายของเธอเหมือนถุงจะเป็นถุงหนังเป็นถุงหนังใบหนึ่ง มีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโศคโรอกไหลออกมาเป็นนิดท่านมองทะลุโ ป, ปร่งลงไปคนที่ไม่ได้ฝึกอบรมจิตใจเห็นผู้หญิงว่าสวยๆคนมีสติมีปัญญามองก็ทะลุลงไปโศคลอกไม่สวยไม่งามจริงหรอก คนที่หมายรู้ผิดนะสัญญา毗婆拉าเนะีมันจะหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยบ้า ง, งามหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะอย่างเราเนี่ยชีวิตเรานะเราตายอยู่ตลอดเวลานะแต่เราหมายรู้ว่าเรายังคงอยู่โดยเฉพาะจิตใจเนี่ยจิตใจเราตายด้วยหัวร่างกายอีกนะจิตใจเนี่ยตายถี่ยิบเลย ความรู้สึกเปลี่ยนทีหนึ่งจิตดวงเดิมก็เปลี่ยนไปแล้วตายไปเกิดจิตดวงใหม่ให้นมามีจิตโกรธเกิดขึ้น่เงี้ยพอเรามีสติจิตโกรธก็ดับเกิดจิตไม่โกรธขึ้นมาแทนเนี่ยจิตมันก็เกิดดับรวดเร็วแต่พวกเราจะหมายรู้ผิดนะว่าจิตเที่ยงเรารู้สึกไม่ในเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งในเนี้ยเราคนนี้นะในวันนี้เดี๋ยวนี้ กับเราคนนี้เมื่อเช้าคนเดียวกันเราคนนี้เดี๋ยวนี้กับเราเมื่อวานก็คนเดียวกันเราเดี๋ยวนี้กับเราปีกลายก็คนเดียวกันไล่ทวนลงไปจนเราเดี๋ยวนี้กับเราชาติก่อนก็คนเดียวกันเราเห็นของมันไม่เที่ยงนะจิตเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเลยทียิบเลยแต่เราก็รู้สึกวันเที่ยงนี่ก็เรียกว่าสัญญาบิพาลนะค่อยๆหัดดูไป สัญญาวิปลาสอีกตัวหนึ่งคือของเป็นทุกข์เราเห็นว่าเป็นสุขอย่างร่างกายเราขณะ น, นี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็เมื่อยปวดอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่มีสติเราลึกรู้อยู่ในกายมันปวดมนเมื่อยเราก็ขยับเปลี่ยนอิรีิบทอะไรเราก็รู้สึกไม่ปวดไม่เมื่อยร่างกายนี้ยังแข็งแรง เอาไห้เจ็บป่วยหนักๆเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะถึงจะว่าร่างกายนี้เป็นทุกเวลาส่วนใหญ่เนี่ยร่างกายเป็นสุกเ น, นี่ยที่เรามาภอวนาก็เพื่อจะมาล้างไอ้ความเห็นผิดทั้งหลายพวกเนี้ความหมายรู้ผิดๆกายนี้ใจนี้มันเป็นตัวทุกนะมันถูกความทุกขบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่อันหนึ่ง ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานหนึ่งอีกอันหนึ่งคือตัวมันเป็นตัวทุกข์นี่เราไม่เห็นเราถึงเบียนใบใจเกิดเนืักกายรักใจของเราอยู่ก็วนเวียนไม่เลิกอีกอันหนึ่งที่เราวิปลาสนะคือเราเห็นของที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเราอย่างตอนเนี้ยตัวเราของเราพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีให้เราแยกแยกออกเป็นส่วน ความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วนะความรับรู้ความรับรู้คือตัวจิตสุขทุกข์ตัวเวทนานะตัวดีตัวชั่วเนะี่ยตัวสังขารแยกออกเป็นส่วนสนะ่วนีะเห็นเยตัวดีตัวชั่วอย่างตัวโกรธเนี้ยตัวโกรธไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าเนะี่ยพอเราพาวนาเนะีมันค่อยๆแยกแยกแย ก, แยกออกไป แต่เดิมคิดว่าร่างกายเป็นเราเพราะเราพ อ, อนาเป็นนะใจเราเป็นคนดูขึ้นมาจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นะแต่เดิมก็ว่าเราสุขเราทุกข์พอภาวนาเป็นมันแยกออกไปนะความสุขมันของถูกรู้ถูกดูความทุกข์มันก็ของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราของเรานะอย่างขณะนี้เราสุขหรือเราทุกข์รู้ไหม ลองดูไปคนไหนมีความรู้สึกสุขลองดูไปที่ความรู้สึกสุขคนไหนทุกอยู่ดูไปที่ความรู้สึกทุกคนไหนไม่สุขไม่ทุกลองดูไปที่ความรู้สึกเฉยเยไม่สุขไม่ทุกลองดูสิสังเกตไหมว่าความสุขความทุกความเฉยเฉยเป็นของถูกดูเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเหรอก เนี่ยมันจะล้างความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราของเราได้งั้นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยนะก็เพื่อให้เราล้างความเห็นผิดความเห็นผิดในเบื้องต้นก็คือกายนี้ใจนี้คือตัวเราของเราตัวเรามีจริงๆถ้าล้างความเห็นผิดตัวนี้ได้ก็ได้พระโสดาบันต่อไปก็ล้างความเห็นผิดที่ประณีตขึ้นไปอีกเราเห็นว่า ใจนี้ใจนี้ตัวกายก็จะดูง่ายกว่านะตัวกายนี้เป็นตัวสุขบ้างทุกข์บ้างเพราะสติปัญญาแก่กล้านะเรามีสติระลึกรู้อยู่ในใกายเนืองๆ น, นะรู้ไปรู้ไปเราก็จะเห็นความจริงร่างกายนี้มันทุกข์นะมันทุกอยู่ตลอดเวลาเลยให้ใจเข้าก็ทุกข์ให้ใจออกก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์ ลองหายใจเข้าซิหายใจเข้าให้ยาวที่สุดซิแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์ธรรมะเรียนจากของจริงไม่ใช่คิดเอาทุกข์ไหมหายใจเข้าให้ยาวๆทุกเต็มทีก็หายใจออกเอาหายใจออกให้เยอะที่สุดเลยแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์ แม้ธรรมาต้องเรียนจากของจริงนะในความเป็นจริงก็คือความทุกข์เนี่ยมันประกาศตัวอยู่ในร่างกายเราตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแต่เราไม่เคยมีสติที่จ ะ, ะระลึกรู้อยู่ในกายวันวันห น, นึ่งใจเราเตลดเิดเปิดเปิงออกข้างนอกไปตลอดเราไม่เคยมีสติอยู่ในกายเพราะเราก็ไม่เห็นความจริงของร่างกายมันจริงๆแล้วร่างกายนี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์นะ ที่เราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกจากการหายใจเข้าที่เราหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกขจากการหายใจออกที่เราต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะเพื่อแก้ทุกที่บีบขันในทุกทุกอิริยาบถอย่างอิริยาบถนอนเนี่ยพวกเราว่ามีความสุขนะลงนอนนิ่งๆไม่กระดุกระดิกเสียเลทุกขนาดไหนอย่างคนเป็นอัมพาตนะเป็นอัมพาตกระดุกระดิกไม่ได้นอน จนตัวเน่าเลยเป็นแพลกดทับเน่าเลยมันทุกข์ทั้งนั้นนละนี้คนทั่วไปมันไม่มีสติไม่ระลึกรู้อยู่ในกายมันก็ไม่เห็นทุกข์ของกายไม่ระลึกรู้อยู่ในใจมันก็ไม่เห็นจิตใจมันไม่เที่ยงนะจิตใจไม่ใช่ตัวเราตัวกายนจะดูง่ายมันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นของถูกรู้ถูกดูตัวจิตเป็นของไม่เที่ยง ดูจิตว่าเป็นทุกข์นี่ดูยากนะเพราะจิตมันเกิดดับเร็วอย่างร่างกายเราพอเราเมื่อยนะเราก็ขยับพอเราขยับเปลี่ยนอิยาบทนะความปวดเมื่อยในกายมันหายไปนะจิตนี้ก็เหมือนกันเวลาจิตมันทุกข์นะเราจะเปลี่ยนอารมณ์อย่างรวดเร็วเลยอย่างเราคุยกับเพื่อนเราหงุดหงิด น, นะเราก็ไปฟังเพลงอะไรเงี้ยเปลี่ยนอารมณ์ไปนะอารมณ์ทางจิตเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจะดู ว่าตัวจิตเป็นทุกขนะ์นั้นดูยากเพราะมันเปลี่ยนอารมณ์เร็วแต่ดูว่ามันไม่เที่ยงอะดูง่ายเราอย่าดูว่าจิตที่สุขอยู่ได้แป๊บเดียวก็หายจิตที่ทุกข์อยู่ได้แป๊บเดียวก็หายจิ ต, ท, จตที่ดีจิตที่ชั่วอยู่แป๊บเดียวก็หายเฝ้ารู้ลงไปมีสติรู้อยู่ที่จิตที่ใจไม่นานก็เห็นความจริงของจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยง จิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีจิตชั่วก็ไม่เที่ยงเป็นะของธรรมดาง่ายๆเนี่ยของง่ายๆแค่เนี่ยนะคนในโลกมันไม่รู้วิธีปฏิบัติมันทำไม่ได้ไม่เคยย้อนกลับมาดูกายดูใจตัวเองพระพุทธเจ้าท่านนึงสอนบอกให้โอปัยญโกนะ้น้อมเข้ามารู้กายรู้ใจของตัวเองทีนะ่มันมีสติรู้อยู่ในกายนะก็จะเห็นนะร่างกายเต็มไปด้วยความทุกขนะ์มีสติ รู้อยู่ในใจไม่เห็นจิตใจเต็ไมไปด้วยความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะแล้วจิตใจเนี่ยดูได้ง่ายอ ย, อย่างหนึ่งในแง่อนัตตาอนัตตาจะดูในแง่ที่ว่าเราบังคับมันไม่ได้นะบังคับมันไม่ได้อย่างเราสั่งเราทุกคนลองสั่งสิสั่งให้ใจมีความสุขสั่งสิจงสุขจงสุขโอมจงสุขนะ เยไม่สุขใช่ไหมแต่ขำแทนหลวงพ่อบอกให้ให้สั่งให้มีความสุขเรากับขำอะไรเงี้ยไม่ได้สั่งให้ขำเลยนันมันขำได้เองสั่งซิให้มันทุกทุกซิทุกทุ ก, ทกใครสั่งได้เห็นไหมความจริงไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยง่ายๆแค่นี้แหละ ใจิตใจนะเราสั่งให้สุขหรือห้ามอย่ามีความทุกข์สั่งไม่ได้จงมีแต่ความดีอย่ามีกิเลสนะอย่าขี้เกียจปฏิบัติสั่งได้ไหมวางทีตั้งใจนะจะเดินจงกรมวันนี้จะเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงนะเดินแล้วก็ขี้เกียจนะขี้เกียจ ด, ดูนาฬิกาเรือ่อยเป็นได้เวลายัางเป็ได้เวลาจะเลิก ดูไปเพิ่งหมดไปนาทีเดียวเองเนะีย่ยใจเมื่อไรจะหมดเวลาสักทีอะไรเงี้ยใจที่เป็นกุศลนะตั้งใจจะเดินจงกรมนะแป๊บเดียวของกายเป็นอะกุศลแล้วขี้เกียจแล้วไม่อยากเดินจงกรมแนละ้วใครเคยเป็นบ้างคนไหนเคยเป็นเคยเป็นไหมตั้งใจจะนั่งสมาธิแนละได้แป๊บเดียวนี่ก็ขี้เกียจแล้ว บางคนขี้เกียจแล้วทำยังไงขี้เกียจแล้วอดทนเราตั้งสัต์จากบตัวเองเราจะเดินครึ่งชั่วโมงแล้วต้องเดินนะยังไงก็ต้องพยายามเดินครึ่งชั่วโมงนะแล้วต้องอดทนเราบางคนเจ้าเล่ยก็นะรีบสอนตัวเองถ้าเราตั้งใจจะเดินครึ่งชั่วโมงนะเราจะต้องทำให้ได้เนี่ยเป็นความดันทุรังนะเป็นความดันทุรังไม่ดีเลย แล้วเดินเนี่ยมันเมื่อยยังจะทู่ซีเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้มันอาจตายกิลมาฏฐานโยกไม่ใช่ทางสายกลางใครเคยทําแบบนี้บ้างมีไหมหลวงพ่อเคยนะก็เคยเหมือนกันเลยเรื่องชั่วชัวหลวงพ่อผ่านมาเยอะนะทุกวันนี้ถึงห้าวหาญในการสอนอ้ที่พวกเราผิดเนี่ยหลวงพ่อผิดมาแล้วแทบตั้งนั้นน่ะน้อยมากเลยนะที่พวกเราส่งกันบ้านแล้วหลวงพ่อไม่เคยเป็นนะ ที่พวกเราแย่ๆหลวงพ่อแย่มาก่อ น, นแล้วก็ต่อสู้มาอดทนต่อสู้มาผ่านมาจนได้อยู่ที่พวกเราและสู้ไม่สู้เ น, นี่ยค่อยๆดูกายดูใจของเราเป็นส่วนๆไปดูจิตใจก็ดูเป็นส่วนๆไปเช่นดูความสุขเกิดขึ้นเรเห็นความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป ดูความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดูสุขดูทุกข์นี่เรียกว่าดูเบญธนานะหรือดูจิตใจที่เป็นขุศน์อุศนอย่างพวกเราบางคนในขี้โมโหใครขี้โมโหบ้างยกมือซิใครขี้โมโหตัดสินใจให้แน่นอนนะใครขี้โมโหยกมือเอาลงใครขี้โลภโลภเป็นหลักเลยนะใครขี้หลง แน่ใจนะน้อยอย่างนี้เชื่อหรอไม่เชื่อนะสังเกตไหมว่าพวกขี้โกรธเยอะกว่าพวกขี้โลภอันนี้ยุค ข, ของเรานะมันยุคกะลียุคยุคย่ำแย่เั้นสิ่งที่มากระทบกระทั่งเนี่ยนะรุนแรงแน่ใจเราหงุดหงิดง่ายนะแล้วก็มีเรื่องอันหนึ่งนะครูบาอาจารย์ ท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังแั้งสามสิบกว่าปีมาแล้วเกือบสี่สิบปีแล้วมั้งครูบาจาจารย์องหนึ่งท่านบอกว่าเออพระโมทเรานั่งสมาธินะเราพิจารณาตอนนี้สัตว์นรกเนี่ยขึ้นมาเกิดที่เมืองไทยเนี่ยเยอะมากเลยต่อไปเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยจะเต็มไปด้วยความเร่าร้อนเพราะสัตว์นรกเนี่ยมันจะมาอยู่เยอะแล้วมันจะโตเติบโ ต, ต, ต, ตขึ้นมา จะมีพลังมีอำนาจมีพรกพวกเยอะแยะขึ้นมาบ้านเมืองยังไม่มีความสุขหรอกเพราะพื้นจิตของสนนรกนี่นะมันเต็มไปได้วยโทสะพวกเราคนไหนพื้นจิตเต็มไปได้วยโทส่ายกมืออีกทีสิพอจะรู้ยังบ้านเก่าอยู่ที่ไหน <ś led> <ś led> ถ้าเป็นพวกโลภมากแล้วพวกพวกเปรตพวกอะไรอย่างเงี้ย พวกนี้ลบมากนถ้าพวกหลงเนี่ยพวกเดรฉานพวกเดรฉานสังเกตไหมหมาเนียแมวนะวเวลามันอยู่เฉยๆใจลอยเพลินๆไปเราอย่าเรียนแบบเขานะถึงเราเคยเป็นอย่างเขามาก่อนเราก็ต้องพัฒนาเ น, นี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกนะว่าแต่เดิมอะคนมีบุญนะ สมัยพุทธกาลเนี่ยคนมีบุญเนีไปอยู่ที่อินเดียเยอะเลยลราพอพระพุทธเจ้าปรินิพานไปเนี่ยพระศาสนายังรุ่งเรืองอยู่อีกหลายร้อยปีนะรุ่งเรืองอยู่แล้วหลังจากนั้นมันเริ่มเสื่อมลงช่วงที่เสื่อมลงเนี่ยมีชาทิฐิมีกำลังกล้าขึ้นพวกสัมมาทิฏฐินันหนีมาทางตอนออกเนี่ยมาสุวรรณภูมิมาอะไรทางนี้ แลท่านก็บอกว่าช่วงหลังๆนี้พวกที่มีบุญนะมันก็หนีขึ้นข้างบนไปพวกที่บุญอย่างน้อยก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะแล้วก็พวกสัตว์ข้างล่างสัตว์แนวใบก็ขึ้นมาเยอะบ้านเมืองมันถึงร้อนร้อนไหมร้อนเนาะมีหน้าต้องอยู่ห้องแอร์ <laughs> นี่ยเราพยายามนะพยายามฝึกตัวเอง เพื่อบันหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ต้องอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ฝึกตัวเองเราก็ต้องอยู่คลุกคลีอยู่กับสัตว์ที่มาจัดอบานะครูบาอาจารย์ท่านมองว่าภาวนาวขึ้นไปข้างบนซะไปปฏิบัติข้างบนในเทวโลกเนี่ยตอนนี้ผู้มีบุญอยู่ในเทวโลกเยอะพวกลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตั้งหลายพระองค์ก็ยังอยู่ในที่โ น, น้น ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหลายองคนะ์ะหลายองค์พระพุทธเจ้ากัตขุสันโนะธอะไรนี่ยลูกศิษย์ท่านก็ยังอยู่นะก็มีพระพุทธเจ้าโกนาขมโนพระพุทธเจ้ากัตสะโปรนะพระพุทธเจ้าโคตะโมนะี่ลูกศิษย์ก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนเยอะเราถ้าเรายัางจบในชาตินี้ไม่ได้นะเราก็ตั้งใจไว้นะขออธิฐานไว้เลย ขอไปเกิดในที่ที่พระศาสนาดำรงอยู่อธิฐานอย่างนี้นะอย่าขอเกิดเป็นคนไทยนะให้ขอเกิดในที่ที่พระศาสนาอย่างดำรงอยู่หลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็กนะใจมันคอยรู้สึกอย่างนี้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ตามนะปฏิบัติเสร็จแล้วใจมันจะอธิษฐานว่า พระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนนะั้นขอให้เราไปที่นั้นศานะ ส, สนาอยู่ที่ไหนให้เราไปอยู่ที่นั้นนะขอให้เราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้านะใจมันตั้งความปรารถนาไว้ขอให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้านะขอให้ได้ช่วยพระพุทธเจ้ารักษาสืบทอดศาสนาเนะี่ยใจมันตั้งปณิธานสามข้อนี้มันตั้งอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆมา ยันไม่ได้ตั้งใจว่าขอเกิดเป็นคนไทยทุกชาตินะเพราะคนไทยถึงช่วงหนึ่งอาจจะไม่มีศาสนาพุทธก็ได้อาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนที่ศาสนาพุทธเคยอยู่ประเทศอื่นแล้วก็อยู่ไม่ได้เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราตั้งใจว่าศาสนาพุทธอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นนะอย่างนี้เราก็จะไปเกิดในชุมชนของชาวพุทธนะจะได้ฟังธรรมะ บางคนก็คิดการไกลนะหลวงพ่อบอกให้ภาวนาไม่เอาอะนะไม่ภาวนาแต่พยายามแจกซีดีของหลวงพ่อนะไปก๊อปซีดีมาแจกแจกถามว่าทำไปเพื่ออะไรเขาแจกไปเรื่อยเขาบอกว่าเดี๋ยวชาติต่อไปเนี่ยหลวงพ่อไม่อยู่แล้วเขามาเกิดนะเขาจะได้ฟังซีดีนี้นะแล้วเขาจะได้ปฏิบัติ บอกมึงโง่ชิบหายหมเนาะมันฟังเราแท้ๆนะมันไม่ปฏิบัติไม่เอาซาปั๊มซีดีจะได้ปฏิบัติเนี่ยโง่จริงๆอะ่ะแล้วเกิดมันเป็ น, ปนคนต่างชาตินะมันฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องอะ่ะจะทำยังไงอะ่ะมันประมาทนะเพราะนพวกเราต้องภาวนาตั้งแต่วันนี้ภาวนาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยอย่าช้าหลวงพ่าไม่ใช่คนเก่งนะ แลวพอเป็นคนอดทนตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ยเริ่มหัตภาวนาทำสมาธิธรอานาปานสติทุกวันต้องทำมีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อ น, นั้นเลยเดินไปโรงเรียนนั้นก็เดินหายใจไปกลับจากโรงเรียนก็หายใจมาบางทีก็หลงบ้างเล่นบ้างธรรมชาติของเด็กแต่พอรู้ขึ้นได้ก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจ ไม่ว่าทำอะไรไประเดี๋ยวนึงก็จะหายใจหายใจไปเรื่อยๆนะตอนอายุสักสิบขวบไฟมันไหม้ข้างบ้านบ้านเป็นตึกเตานะ้อลูกเฝ้าไปเล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านมองไปเห็นไฟกลงังไหม้ถัดไปสี่ห้าห้องตกใจนะตกใจก็คว้าลูกหินเลยเห็นไหมอย่างน้อยมีสตินะไม่ทิ้งลูกหินนะนะ ควา้าลูกหินได้แล้วก็วิ่งเลยจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ข้างบ้านแนละ้วก้าวที่หนึ่งก็ยังไม่มีสตินะก้าวที่สองก็ยังไม่มีสติพอก้าวที่สมเท่านะ่ะมันเหมือนเปิดสวิตสว่างพลืบออกมาจากข้างในพรึบขึ้นมามันเห็นความตกใจเนี้ยนะขาดสะบั้นออกไปจากใจเลยใจสว่างโปรงขึ้นมานะคราวนี้เดินเร็วๆหน่อยนะไปบอกผู้ใหญ่แต่เราไม่ตกใจแล้ว แล้วครั้นี้เราก็ดูคนอื่นตกใจเราก็ดูคนตกใจนี่ดูแปลกๆนะนะนี่ตั้งแต่สิบขวบนะนก็แยกขันได้ดูจิตได้ของเราเนี่ยมันต้องเคยมีเคยทํามาแล้วนะอย่างพวกเราเนี่ยทำไมสนใจธรรมะถ้าไม่เคยสนใจมาก่อนนะมันไม่สนใจหรอกนะมันต้องเคยสนใจมาแล้วเพราะงั้นพวกเราเนี่ไม่ใช่ชาติแรกที่ลงมือปฏิบัติหรอก ถ้าเป็นพวกชาติแรกที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องแบบให้คนเขาชักจูงนะชักชวนข่มครูบังคับติดสินบนให้ฝังเทศนะมีนะแบบต้องจ้างให้ฝังนะมีแต่หลกงพ่อไม่ได้จ้างนะอนาถวินธิกาเนี่ยเคยจ้างลูกให้ไปฝังเทศนะเพราะาอยากให้ลูกเป็นคนดีลูกขี้เกียจถึงขนาดต้องจ้างพ็จ้างไปทีแรกก็ ไปฟังที่วัดเชตวันนะรับเงินได้แล้วก็ไปที่วัดไม่ฟังหรอกนะถ้มีนิกาแกกรู้ทันแกก็ถามพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรเออจําให้ได้เอขอข้าวังต้องจําให้ได้นะไม่งั้นไม่ได้ตังค์นะคราวนี้เลยไปตั้งใจฟังเพื่อจะจำํำสุดท้ายเข้าใจขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ยบารมีข้ออ่อนนะก็ต้องชักชวนโน้มน้าว อย่างพวกเราเนี่ยไม่มีใครชวนนะอยู่ๆก็มาฟังทำงั้นบุญบา ร, รมีมันก็มีอยู่นะแต่ว่าต่อยอดไปต่อยอดไปเชิญให้ได้ธรรมะในชีวิตนี้แหละ ว, วิธีต่อยอดของเรานะี่ยถือศีลห้าไว้ะศีลห้าข้อสําคัญนะถือศีลห้าไวก้ก่อนแล้วก็ทุกวันแบ่งเวลาทําในรูปแบบนะ ห้อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้เดินจงกรมก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะท่องน้โมตัดสาอะไรก็ได้นะทำอะไรก็ได้เดินจงกรมก็ได้หายใจนี่มันมีที่อยู <Fat> ่นะให้อยู่กับการเดินอยู่กับการนั่งอยู่กับการหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวอย่างลงพลเทียนห้อยู่กับการเคลื่อนไหวหายใจมันมีบ้านอยู่ แล้วคอยรู้ทันใจเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองเมื่อก่อนหลวงพ่อศักสนนะ่ะสมัยที่ยังเที่ยวสแสวงหาธรรมะอยู่งงเลยว่าไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติยังไงเริ่มจากอ่านพระไตรปิฎกอ่านทั้งสองสามรอบนะอ่านพระไตรปิฎกอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มลงมือทำยังไงลองไปศึกษาสานักต่างๆ ฟังคําสอนฟังจากวิทยุอะไรไม่ได้ฟังจากไหนหรอกฟังจากวิทยุนะยุคนอนก็มีเยอะนะออกวิทยุส่วนมากออกกลางคืนที่หลวงพ่อชอบฟังนะของท่านก่อเขาส่วนหลวงนะใค่เคยได้ยินชื่อท่านก่อเขาส่วนหลวงไม่ธรรมดานะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะเป็นผู้หญิงแต่ตัวรองใจเป็นพระเลยเพราะน่าเก่งจริงๆริ อีกคนหนึ่งที่หลวงพ่อฟังอาจารย์นแนบใครเคยได้ยินไหมอาจารณแนบมหานิรานนท์อันนี้เรื่องอภิธรรมฟังไปงั้นฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่มันรู้สึกแปลกี่อันนี้ศาสนาพุทธอะไรวะเนี่ยไม่เคยได้ยินพิลึกพิลึกนะฟังฟังไปแต่ฟังที่เรื่องปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่จะของท่านก่อกับครูบาอาจารย์สายวัดปาได้ยิน ก็ล้นแต่พูดเรื่องพุโทโธพิจารณกายสายพองยุคนะี่ยเสียงเจ้าคุณโชตกฮนะเจ้าคุณโชตกเขาออกวิทยุเยอะนะฟอนลิงไล่ซิงนะฟอนลิงไล่ซิงเนะ่ยลองเนี่ยเราเออฟังแล้วก็หลับเลยนะ <c oughs> ท่านสอนให้ฟองยุบมันนะมันยุบมันปองมันยุบมันปองอะไรเนีย่ย ตัวแล้วมันก็เรื่องกายนะก็เรื่องกายท่านพุทธทาสก็สอนอนาตนาสติมันก็กายนะแล้วก็มันมีเยอะแยะเลยสำนักปฏิบัติแล้วจะลงมือทำเนี่ยจะทำยังไงจะทำยังไงทำไม่ได้สักทีจนะนผ่านเวลามานานนะอายุตั้งยี่สเก้าแล้วเจอหลวงปุด่ดุล เราประดุสอนให้ดูจิตพหลวงพ่อย้อนมาดูจิตเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปล ง, ปลงเห็นจิตมันทํางานมันได้แก่นของการปฏิบัติตัวเนี้ที่หลวงปู่มั่นสอนแล้ว่าได้จิตคือได้ทําไม่ได้จิตคือไม่ได้ทําอย่างเราไปดูท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบนะแต่เราไม่ได้จิตเนี่ยเราไม่ได้แก่นสารสาระเราท่องพุทโธแต่เราไม่ได้จิตเราก็ไม่ได้แก่นสารสาระ มานาปัญสตินะแล้วก็ไม่ได้จิตก็ไม่ได้สาระขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนแล้วเราไม่ได้จิตก็ไม่ได้สาระแก่นสา ร, สา ร, สาระนะั่นที่เป็นคีจริงๆเลยที่เราจะต้องเอามาให้ได้นะคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะถ้าเราไม่มีจิตดวงนี้เนี่ยมันทำมิปัสนาไม่ได้จริงนะทำสมาธิมันก็จะกลายเป็นมิจฉาสมาธิ งห้นไปดูคนนั่งสมาธินะเกือบร้อยละร้อยเลยมันคือมิจฉาสมาธินั่งพวกหนึ่งก็นั่งเคลิมมีความสุขแล้วนะพวกหนึ่งก็แบบเครียดนะพวกหนึ่งนั่งเอ้อระเหยใจหนีไปทางนี้ทีหนีไปทางนี้ที น, ท น, ทนะพวกหนึ่งนั่งหลับ เนี่ยมิจชาทั้งนั้นเลยนะมันไม่ได้จิตนั่งสมาธิยังไงให้ได้จิตหรือปฏิบัติยังไงให้ได้จิตทากรรมฐานที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งอะไรก็ไดนะ้ที่เราถนัดนะถนัดพุดโทโธก็ใช้พุโทโธถนัดหายใจก็หายใจไปนะถนัดพองยุบก็พองยุบไปถนัดทาจังหวะก็ทาจังหวะไปถนัดเดินจงกรมก็เดินไป อะไรก็ได้กรรมฐานนะแต่จุดสำคัญไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วเพื่อให้มีรูปแบบอัน ง, งดงามเช่นขยับถูกต้องสวยงามอะไรเงี้ยอันนั้นยังไม่ได้แก่นสารนะไม่ได้แก่นสารหรือนั่งสมาธิจนลมหายใจหายไปแล้วจิตก็าหายไปด้วยนี่ไม่ได้แก่นสารงั้นเราจะต้องฝึกให้มีแก่นสารสา ร, สาระก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้เท่าทันจิตตนเอง อันนี้แหละเรียกว่าจิตตศิกขาการเรียนรู้จิตตนเองจิตตศิกขาจะต้องทํานะถ้าไม่มีจิตตสิกขาจะขึ้นปัญญาศิกขาไม่ได้จริงนะ้ันจะฟุ้งซ่านเฉยๆหรือไม่คิดว่าจเจริญมิปัสนาอยู่แต่จริงๆทําสมถะอยู่อย่างบางคนเนี้ยไม่ได้จิตเป็นผู้ดูไม่เห็นท้องพอ ง, ท, องท้องยุบนะจิตไหลไปรวมอยู่ที่ท้องอันนี้เราบอกว่าเป็นวิปัสนาไม่เป็นออก นะจิตไปรวมอยู่ในอารมณ์ันเดียวนนะั้นคือหลักของสมถะแท้ๆเลยนี่สมถะนะเราก็เข็นมากๆมากๆนะจิตดับเลยนะเข้าถึงชานที่สี่แล้วก็พลิกไปเป็นอสัญญีเป็นพรมลูกฟักนะหมดความรู้สึกไปเลยจิตหายไปพรมลูกฟักเนี่ยเป็นเป็นภพที่อาภัพมากๆเลยนะเป็นภพที่อาภัพมากๆเลย บรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่ไปเป็นพรมลูกฝักนะท่าจะไม่เป็นพรมลูกฝักเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้งั้นถ้านั่งสมาธิแลวบูบหมดความรู้สึกไปเลยเนี่ยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อย่างยิ่งเลยงั้นเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอย่าหายใจก็ได้พุโทโธก็ได้พองยบก็ได้อะไรก็ได้ที่เราถนัด แต่ว่าทำกรรมฐานแล้วคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยชอบอนาปนาสติเรียนจากท่านพ่อหลีมาั้งแต่ดเด็กหายใจเข้าพุธหายใจออกโทนะมีพุดโทด้วยหายใจไปหายใจไปหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านหายใจไปแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบหายใจไปแล้วจิตสว่างรู้ว่าสว่าง หายใจไปแล้วมันมืดรู้ว่ามืดนะหายใจไปแ ล, แล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอยังงั้นมันมีความสุขก็รู้ว่าสุขมันเฉยเฉยก็รู้ว่าเฉยเฉยเนี่ยหายใจไปแล้วก็รู้เท่าทันจิตไปถ้าไม่ชอบหายใจก็อาจะพุทโธเฉยเฉยก็ได้พุทโธพุทโธไปนะจิตสงบก็รู้พุทโธไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธไปมีความสุขก็รู้พุทโธไปมีความทุกข์ก็รู้ ฝึกอย่างนี้มากๆนะตัวนี้ต้องฝึกให้มากนะหรือเดินจงกรมเ น, Jesus, น, wa, น ing, yes. daddy, Kid, ี่ย UH ก็คอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปเดินไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันเดินแล้วจิตลงไปเพ่งที่เท้ารู้ทันเดินแล้วจิตไปเพ่งร่างกายทั้งร่างกายรู้ทันเดินแล้วก็รู้ทันจิตนั่งสมาธิก็นั่งรู้ทันจิตขยับมือก็ขยับแบบรู้ทันจิตอย่างขยับไปเนี้ย จิตหนีไปอยู่ในมือแล้วรู้ว่าจิตไปเพ่งใส่มือขยับแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดนะขยับไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านขยับแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบขยับแล้วรู้ทันจิตไปเพราะฉะนั้นกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีนัยาะอะไรมันเหมือนเหมือนกันทั้งนั้นแหละมันก็เป็นแค่เหยื่อที่จะตกปลานะพุทโธก็เป็นเหยื่อตกปลาชนิดหนึ่ง นะลมหายใจทำจังหวะพองยุบนะนาฬิกานะสติหรืออะไรก็ตามล้วนแต่เป็นเหยื่อตกปลานะเป็นเหยื่อนานาชนิดนะสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เหยื่อเราต้องการปลาสิ่งที่เป็นปลาคือจิตนี้เองอย่างเวลาตกปลาเมื่อเราเหยื่อหย่อนลงไปในน้ําเงี้ยเราก็ถือเบ็ดรออยู่ปลามาแล้วเราก็ดูว่าปลามาแล้วจะมาถึงเหยื่อเราละเอาหนีไปสิกแล้ว เวลาตกปลาอยู่เนี่ยดูเหยื่อรู้ดูปลาดูปลาใช่ไหมปลามาแล้วปลามานะที่หย่อนเบ็ดไว้นะปลาหายไปไหนปลาไม่มาอย่างเงี้ยนะที่เราดูเนี่ยดูปลานะเวลาเราตกปลาเวลาภาวนานี่ก็เหมือนกันทำกรรมฐานเนี่ยเหมือนเอาเบ็ดมาเกี่ยวเอาเหยื่อเกี่ยวเป็ดนะหย่อนลงน้ำไว้นะแล้วก็รอไปรอดูอะไรดูปลา นี่ปลามาแล้วจิตเรามาแล้วจิตหนีไปแล้ว ร, รู้ทันนะปลาล่าเริงเชียกระโดดทุบทุบทุบมานะล่าเริงรู้ว่าปลามันมาล่าเริงเนี่ยทกรรมฐานนะเรารู้ทันจิตตัวเองไปแล้วเราถึงจะจับปลาได้ได้กินปลานะไม่ใช่สนใจที่เหยื่อนะนั่งไเจ้าเมื่อปลามาชุกเดี๋ยวมึงมากินเหยื่อของกู ทำกรรมฐานแล้วก็รักษาแต่กรรมฐานนะั่นแหละเรากลัวกรรมฐานหายแต่ไม่สนใจจิตนะใช่ไม่ได้นะเพราะงั้นต้องรู้นะเราไม่ได้ไปจับไส้เดือนมาเกี่ยวเบ็ดเพื่อจะกินไส้เดือนนะไม่ได้จับชิ้นกุ้งเกี่ยวเพื่อจะกินชิ้นกุ้งนะะเราจับสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเหยื่อล่อ เงินพุโทโธลมหายใจอะไรเนี่ยก็เป็นแค่เหยื่อตกปลาเท่านั้นเองสมาธิเนี่ยเหมือนเน้ตัวที่เรารักษาคันเบ็ดง่ายนิ่งๆนะสติเนี่ยเหมือนสายเบ็ดนะปลามากินเหยื่อเนี่ยปลาวิ่งไปทางนั้นใช่ไหมสายเบ็ดมันก็เลื่อนไปสติมันรู้เท่าทันเวลาจิตมันเคลื่อนไหวนะสติรู้เท่าทันไป สุดท้ายเราก็จับปลาได้เนงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทำถ้าไม่ทำไม่ได้กินปลาไม่ได้จะกินเยื่อจริงๆพวกเรากินเยื่อนะเยื่อที่พวกเรากินเนี่ยใครเป็นคนตกเรามานเป็นคนตกเราเยื่อที่เรากินก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพาัฏฐะธรรมารมทั้งหลายนี่คือเหยื่อ ที่มาล่อเราใจเราก็ตะครุบเหยื่อไปไหนไม่รอดหรอกงั้นอย่าไปกินเหยื่อของมารเหยื่อของมารก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมารมณ์ทั้งหลายนี่เป็นเหยื่อของมันเราคอยดูแลจิตใจของเราไว้ให้ดีจิตใจเราสุข ก, ก็รู้ทันจิตใจเราทุกข์ก็รู้ทันจิตใจเราดีก็รู้ทันจิตใจเราชั่วก็รู้ทันรู้ไปเรื่อยๆนะ อันนี้เรียนรู้จิตตนเองสิ่งที่ได้มาก็คือจะได้จิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องอย่างเวลาจิตมันโกรธเนี่ยเรามีสติรู้ว่าจิตโกรธนะรู้ว่ามันโกรธทันทีที่สติรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงเนียสมาธิที่แท้จริงคือลักขณูปนิชาเนี้จะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นอันตโนมัตินะ ในการเกิดสมาธิมีสองอันนะสมาธิชนิดสงบเนี่ยเราหาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขรู้ไปอย่างมีความสุขจิตสงบวันนี้ได้สมถะนะวันนี้ถ้าเราอยากได้สมาธิชนิดผู้รู้เนี่ยให้คอยรู้ทันสภาวะทํากรรมฐานไปให้จิตสุขขึ้นมารู้ทัน ตรงที่รู้ทันว่าจิตสุขเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะเราพุโทโธพุโทโธอยู่จิตหนีวิคิดรู้ว่าจิตนีวิคิดนะเนี่ยรู้สภาวะแล้วจิตหนีวิคิดจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเราจะได้จิตที่สรงสมาธิที่จะเดินปัญญาได้นะไม่ต้องฝึกนะ ้ฝึกเวลาที่เหน็ดเหนื่อยต้องงานพักผ่อนก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขเวลาต้องการที่จะฝึกจิตให้มีสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาก็คอยรู้ทันสภาวะที่กาลังปรากฏเป็นปัจจุบันถ้ารู้สภาวะถูกต้องปุ๊บนะตัวผู้รู้จะเกิดขึ้นเองอย่างสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดสำหรับพวกเราคือตัวหลงจิต งั้นครูบาอาจารย์จะมาเน้นที่ตัวหลงชิดคิดเรารู้นะคิดเรารู้เร็วๆนะงั้นเวลาใจมันหลงชิดปุ๊บสติรู้ทันปั๊บเนี้ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยพราะเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเราเดินปัญญาต่อถ้าจิตทรงสมาธิลึกเกินไปเนี้ยให้ไปดูทางกายดูกายดูเวทนาไปแต่ถ้าจิตไม่ได้ทรงสมาธิมากเป็นสมาธิชั่วขณะ จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยสมาธิชั่วขณะเนี่ยให้ดูจิตไปนะงั้นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมอกับพวกเล่นชานะจิตตานุปัสสนาธรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกที่ไม่มีฌานะพวกเรารุ่นนี้พวกไม่มีฌานงั้นมิธีเดินปัญญานะก็คือจิตหลงไปเรารู้ก็เกิดจิตรู้จิตหลงดับเกิดจิตรู้ จิตรู้อยู่ชั่วคราวเราอย่าไปรักษาไว้จิตรู้อยู่ชั่วคราวมันก็หลงอีกก็เห็นจิตรู้มันดับนะเกิดจิตหลงพอรู้ว่าจิตรู้ดับเกิดจิตหลงก็เกิดจิตรู้ดวงใหม่ขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะรู้ก็หลงรู้ก็หลงนะสลับกันไปเรื่อยๆยิ่งสลับเร็วยิ่งดียิ่งสลับบ่อยยิ่งดีเพราะฉะนั้นอย่ารักษาจิตให้คงที่เป็นผู้รู้ก็อย่ารักษาผู้รู้ไว้ ก็เห็นนะผู้รู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับกลายเป็นผู้คิดผู้คิดอยู่ชั่วครา ว, วก็ดับกลายเป็นผู้รู้เนะี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปก็จะเกิดปัญญามันจะเห็นนะจิตทุกชนิดแหละเกิดแล้วดับนะจิตผู้รู้ก็เกิดแล้วดับจิตผู้คิดเกิดแล้วก็ดับนี่คือขั้นปัญญาแล้วนะจากการที่เราศึกษาจิตใจตนเองเพื่อให้ได้สมาธิที่ถูกต้องเนะี่ยเราสามารถใช้วิธีเดิม คือการเรียนรู้จิตตนเองนะเพื่อให้เกิดปัญญาได้นะเพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญานะเนี่ยหลวงปู่ดุลเคยบอกหลวงพ่อเองหลวงพ่อภาวนานะจิตรวมปุ๊บลงไปเราดูจิตเกิดดับอยู่แท้ๆนะจิตรวมปุ๊บลงไปนะัโลกธาตุดับเลยพายุกําลังมาฟ้ากําลังพ่าหายหมดเลยร่างกายก็หายเหลือแต่จิตดวงเดียวนะสว่างสวยอยู่ ้สิ่งที่ห่อหุ้มอยู่แตกเขอกไปใจสว่างโปรงขึ้นมาไปเล่าหลวงปู่ว่าเนี้จิตมันเคลิมคล้มๆลงไปหลวงปู่บอกเลยจิตเข้าสมาธิหลวงพ่อก็บอกท่านผมไม่ได้เข้าสมาธิผมดูจิตเดินปัญญาอยู่ท่านบอกการดูจิตเนี้ยจะได้สมาธิอัตโนมัตินะงั้นอย่างเราคอยรู้เท่าทันจิตตนเองนะ ทำกรรมฐานอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้ท่านจิตตนเองจะได้ทั้งสมาธิจะได้ทั้งปัญญาตรงที่ได้ปัญญานันคือเห็นไตรลักษณ์นะตรงที่ได้สมาธิคือจิตมันตั้งมัน่นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมัน่นนะงั้นฝึกนะทำกรรมฐานซะอย่างหนึง่งต้องทำนะไม่งั้นไม่จเจริญหรอกเวลาสนองกิเลสนะเราสนองเก่งมากเลยวันวันหนึง่งใครเล่นอินเทอร์เนต็ต เกินวละสี่ชั่วโมงยกมือซิยวมือมากกว่านั้นพระเขามีนะไม่ใช่ไม่มีนใครเล่นเกินวลาสองชั่วโมงยกมือซิมันต้องรวมพวกสี่ชั่วโมงเข้าไปด้วยนะพวกสี่ชั่วโมงก็เกินสองชั่วโมงเนี่ยเนี่ยเล่นได้เป็นชั่วโมงเลยวันวันหนึ่งนะหลายชั่วโมงนะ ขอภาวนายี่สิบนาทีไม่ว่างฟังแล้วถ้าอยู่ ใ, ใกล้ๆเนี่ยซั์นะี่ทุบจริงๆเลยคำว่าไม่ว่างนะไม่มีนะสำหรับนักปฏิบัติลงบู่โดนพูดถึงขนานดะถ้ามีเวลาหายใจก็ไม่เวลาปฏิบัติก็แค่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวก็ปฏิบัติแล้วนะไม่ใช่ลึกลับอะไร ตกลงกันไหมจะปฏิบัติใครคิดว่าต่อไปนี้จะลงมือเอาให้จริงแล้วยงมือสิครเขายังชั่วนนะแลว่าสอนแล้วก็ฟังจบแล้วก็เลิกนะอันนั้นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเหมือนสาดน้ำใส่หลังหมาเคยเห็นไหมสาดน้ำใส่หลังหมาสาดโครมลงไปหมาเปียกนิดนึงสปั๊นะ แห้งแล้วเสียเวลาฟังเสียเวลาเทศเสียเวลาฟังเอา้าต่อไปส่งกันบ้านใครจีดอกนอกบ้างยกมือมากกว่านี้เมือเ่อกี้จะเกือบทั้งหมดเลยนะนการรัฐการออดีต พูดดังๆสมบันบ้านเ<ไ>ปน็นครั้งแรกนะครับก็เมื่นติดว่างนะครับอะไรนะจิตไปอยู่ในที่ว่างๆครับเอออ ย, อยู่หลวงปู่บ้านหลวงระวังอย่าให้จิตติดเฉยนะอย่าให้จิตไปติดเฉยติดความว่างก็มีแต่ความสุขนะไม่มีประโยชน์อะไรตายไปไปเป็นพรนะพลอมพยายามถ้าจิตติดว่างเนี่ยใช้ความคิดมาช่วย คิดพิจารณากายลงไปคิดพิจารณาจิตลงไปให้เห็นว่ากายเนี้ยแยกแยกออกไปก็เป็นส่วนๆไม่ใช่ตัวเราของเราในแต่ละส่วนจิตใจก็แยกออกไปเป็นความสุขความทุกข์ความจำได้หมายรู้ความดีความชั่วความรู้สึกแยกเป็นส่วนๆแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราของเราซ้อนมันคิดมันเป็นการกระตุ้นให้จิตหลุดออกจากการติดว่าง ติดไม่แรงหรอกติดพองงามนะไม่ติดแรงแล้วนะติดแรงเนี่ยมันไม่ยุ่งกับใครแล้วนะนั่งทั้งวันก็อ้สบายออกมาพิจารณนะาธาตุขันเราเนี่ยพิจารณาไปใจมันจะเคลื่อนออกจากที่ว่างอนะนมาสการนะครับมีพี่ฝากถามมาครับผม ก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราบริกรรมคาสักคำหนึ่งเพื่อสภาวะใดสภาวะหนึ่งหรือว่าผลอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เพื่ออะไรนะสภาวะใดสภาวะหนึ่งหรือว่าผลอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมถือว่าเป็นความโลภหรือเปล่าครับถ้าภาวนาเนี่ยหวังผลนะจะเอาผลนะแล้วขี้เกียจภาวนาเนี่ยอันนี้โลภนะแต่ถ้า ขยันทำเหตุเรียกว่ามีฉันทะนะอย่างเราภานาเนี่ยเราวางใจว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพราะพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเย่านี้ดีแต่ถ้าปฏิบัติว่าจะได้มรรคผลนิพพานให้นิโรธจะไม่ได้ง่ายๆหรอกพยายามมุ่งขยันทำเหตุผลที่เป็นผลปล่อยได้แต่ถ้ามุ่งไปที่ตัวผลตัวนั้นเป็นตัวโลภคนที่อยากได้มรรคผลไม่เคยได้มรรคผลนะ ตอนที่ได้มรรคผลเนี่ยไม่มีความอยากแต่ก็โดยธรรมชาติเบื้องต้นก็อยากไว้ก่อนอยู่อยู่จะบอกว่าไม่อยากมันก็ทำไม่ได้จริงอยากไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ภาวนาไปแล้วก็รู้เท่าทันใจที่อยากไปใจเป็นกลางเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นแหละถ้าใจยังอยากอยู่ก็ใจก็ไม่ได้เวลาสู้ จริงๆนะมันถึงจุดหนึ่งเลยเวลาภาวนาเนี่ยจะให้แตกหักลงไปนะมันเหมือนจะก้าวไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้จะถอยหลังก็ถอยไม่ได้นะอย่างเราจะเร่งความเพียรให้มากกว่านี้ก็เร่งไม่ได้เพราะสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์เต็มที่แล้วเพิ่มกว่านี้ก็ทำไม่ได้นะแต่อยู่แค่นี้ก็ไม่ไม่จบกิจไม่เป็นพระลรหรัน จนะขี้เกียจปฏิบัติถอดใจแล้วต่อไปนี้ไม่ปฏิบัติแล้วมันก็เลิกไม่ได้เพราะสติสมาธิปัญญามนาัตโนมัติเนี่ยมันต้องถึงขนาดนั้นนะมันถึงจะได้ผลจริงๆอนะยังอยากได้ผลอยู่ยังไม่ได้แต่ขั้นต้นๆเนี่ยอยากไปก่อนได้นะอยากไปก่อนแล้วก็ขยันภาวนาไปสติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งมันก็ได้ธรรมะเบื้องต้น ขั้นสุดท้ายนะ่ยากสู้กันตายเลยนะนการธรรมสการ์เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งของเราอยังติดเพ่งจิตอยู่นะเพง่งอย่าเพง่งการเพ่งจิตไม่ได้ประโยชน์อะไร ไ, ได้ความทุกข์เปล่าๆ ป, ปล่อยให้จิตมันทำงานเป็นธรรมชาติแล้วมีสติรู้ไปนะ ครับ ใ, ใ, ชใช้ได้นะครับจิตเปลี่ยนไปล่ละดู อ, อกเปล่าดูออกครับนะตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกเปล่าครับมันออกมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมครับออกมาอยู่ข้างนอกๆเออมาอยู่ข้างนอกรู้ทันมันนะมันเป็นยังไงก็รู้ไปที่ภาวนาอยู่ใช้ได้ครับจะรบกวนถามหลวงพ่อครับว่า ปกติที่ทุกวันนะครับตอนที่นอนอยู่ครับก็จะเห็นจิตเห็นความคิดตัวเองยิ่งช่องเช้าเช้าเนี้ยครับจะเห็นมากขึ้นแต่ว่าเราไม่สามารถเห็นในชีวิตประจําวันได้ชัดๆหรือว่าบ่อยๆแบบนั้นอย่างเงี้ยครับเวลาอยู่กับโลกข้างนอกเนี้ยภาวนาลําบากนะงั้นคนไหนภาวนาในชีวิตประจําวันได้เนี่ยเก่ง หลวงปู่มันนะ่นเราคสอนอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ยินเองหลวงพ่อไม่ทันท่า น, นครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าหลวงปู่มั่นสอนบอกทําสมาธิมากเนินช้ายังไปติดว่างเนี้ยเนินช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสําคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจําวันถ้าทําตรงนี้ได้นะก็ได้ได้เยอะเลยได้ประโยชน์เยอะแต่มันทํายาก ที่ทำยากเพราะว่าสมาธิเราไม่พอนะใจเราวักแกวกวกแกมันดูยากอย่างตอนอยู่คนเดียวนอนอยู่ตามลำพังอะไรเงี้ยนะมันไม่มีอะไรมาดึงดูดความสนใจมันก็ดูง่ายก็อาศัยดูที่นอนดูนั่นแหละสะสมไปแล้วอยู่ในชีวิตเนี่ยรู้เท่าที่รู้ได้นะแล้วต่อไปมันจะรู้ได้ละเอียดขึ้น อย่าอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยทีแรกจะรู้ว่าอารมณ์หยับหยาโกรธแรงแรแล้วรู้โลภแรงแรงแล้วรู้อะไรเงี้ยแต่มาพอเราฝึกไปเรื่อยๆโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ไป เ, นะเ ร, รื่อยนะโลภแล้วรู้อะไรเงี้ยต่อไปมันละเอียดโกรธนิดเดียวก็รู้แล้วขัดใจนิดเดียวก็รู้ละมันจะละเอียดขึ้นเองอนะ่ะการฝึกในชื่อจำมันเนี่ยจําเป็นมากเลยดีที่สุดเลยต้องทำนะหลางพ่อก็ฝึกมาอย่างนั้นแหละ หลวงพ่อเนี่ยก็เป็นคนทํางานแ บ, บพวกเราเนี่แหละงานหนักมากเลยงานเครียดมากเลยเงั้นแต่ละวันเนี่ยหัวหมุนติ้วติ้วติ้เลยแต่อยู่ในชีวิตประจํำวันให้หลวงพ่อพยายามดูอยู่ตลอดนะกลางคืนไปนั่งสมาธินะี่ไม่หลับถ้ากลางวันเราฟุ้งซ่านเต็มที่กลางคืนนั่งสมาธิก็หลับเนะพระใจมันเหนื่อยแต่ถ้าเราค่อยสังเกตเป็นระยะระยะระยะ ใจมันมีแรงคล้ายๆชาติแบทอยู่ตลอดเวลาในชีวิตธรรมดาเนี่ย่ตอนทำงานนะประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อจะลุกไปห้องน้ำทีหนึ่งพอลุกขึ้นมาก็เห็นร่างกายลุกร่างกายเดินไปฉี่อนกรตอนากรับเนี่ยดูจิตกลับพรรมะดูจิตได้แล้วนี่ฝึกตัวเองอยู่ตลอดนั่งรถเม ก็ดูจิต ด, ดูใจไปถ้าเป็นตอนเช้านะใจก็กังวลรถมันติดจะไปทำงานทันไหมอนะรก็รู้ว่ากังวลเนี่ยหลวงพ่อปฏิบัติอย่างนี้เลยนะปฏิบัติเนี้ยพวกพระเคยถามหลวงพ่อว่าโยมทำได้ไงโยมปฏิบัติปีหนึ่งนะเหมือนพระทำสิปียี่สนะิบปีบอกผมทำทั้งวันนะนะโยเวนตอนทำงานที่ต้องคิดกับตอนนอนหลับนอกนั้นคือเวลาปฏิบัตินะ คุณไปทํา them, คุณทาได้การรรบัตรการครับ <n ick> ผมผมทําตอนนั้นพ่อบอกให้ผมไปดูรู้ล่งปัจจุบันแล้วก็ดูสุขทุกข์ดีชั่วอืตอนนี้เห็นไหมเห็นครับเออเห็นก็ดีแล้วล่ะจิตขณะนี้ถึงฐานไหมไม่ถึงครับไม่ไม่ถึงครับเออแน่ใจนะดูไม่ดูไม่ออก เออสารภาพมาสาักมาบอกไม่ถึงเลยไม่เชื่อไม่เห็นต่ะคหากนะหายใจซิเราหายใจแล้ว ร, รู้สึกสบายๆหายใจไป ร, รู้สึกไหมจิตตรงนี้กับะตะเกียไม่เหมือนกันเมื่อกี้อยู่ข้างนอกดูออกอยังออกนิดๆครับเออไปฝึกอีกเดี๋ยวก็เห็นเยอะขึ้น ใจมาออกนอกจนฉินเนี่ยมันจะไม่รู้ออกนอกอ น, นี่พอเรามาหายใจยรู้สึกหายใจรู้สึกนะจิตมันรวมเข้าม า, หาให้จิตมันรวมเข้ามาเนี่ยเรานึกถึงไอ้สภาวะตะกี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันอยู่ข้างนอกนม่งั้นถ้ามันอยู่ข้างนอกตลอดเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าอยู่ข้างนอกเรานั้นทุกวันแบ่งเวลาทำสมาธินะหายใจไปพุทธโธไปให้จิตมันเข้าฐานจิตของคุณมันสมาธิยังไม่พอ ปกติ<ะ>เวลาทำรูปแบบผมจะสวดมนต์วันละประมาณสองชั่วโมงะะคควรจะเปลี่ยนไหมครับสวดมนต์สองชั่วโมงครับสวดให้ดูสิผมก็สวดสวดเร็วๆอะรเอออะไรก็ได้สวดอย่างที่เป็นนะ่ะทยาสนากตาวุฒิชนวรมังสวัสหานันกฤติจาัสภานสังเยพุธสุน拉萨ภาตัณหงกลาธโยบุษตะวิชิตินายกาตเทปติติตามแหมัทิติเตอันนี้ไม่วิธีอย่างนี้ไม่ค่อยดีมันดูจิตไม่ทันนะสวดให้มันช้าๆกว่า น, นี้ได้ไหม ช้าๆมันก็จะขี้เกียจ ส, สวดเร็วๆมันดูจิตใจไม่ทันชยาสนากตาพุท ธ, ธาเฉตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังระสั่งเยปีวิงสูนาราสภาเนี่ยสวดๆอยู่ใจหนีไปแล้วรู้ว่าใจหนีไปสวดๆไปอยู่เว้ยเบื่อแล้วรู้ว่าเบื่อ นะสวดแล้วอ่านใจไปอย่าสวดเป็นอย่างนั้นนะอย่างงั้นไม่ได้อะไรเท่าไหรหรอกได้สวดไปไปสวดให้ดีไปสวดให้ดูจิตออกนะเมื่อกี้หลวงพ่อสวดเป็นตัวอย่างคใครรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกถึงสมาธิไหม เราสวดคำหนึ่งสองคำนะจิมันก็เป็นสมาธิแล้วน่ือจะยาจกระเพาะวีติไม่มีนะไม่ได้นะเร็วไปเร็วจนเราดูจิตไม่ทันเราคอนเซนเทรตทุ่มเทความสนใจลงไปที่บทสวดมนต์นอา้าวบทสวดมนต์มันเป็นเหยื่อตกปลาอย่าไปกินเหยื่อเรจะเอาปลาว่าไป นารรักการหลวงพ่อครับเออไม่ไม่ทราบว่าตอนนี้จิตผมถูกต้องยังครับือถูกบ้างผิดบ้างแล้วมันจะถูกทั้งวันได้ยังไงล่ะเนาะเวลากิเลสเกิดเห็นไหมเห็นครับโอ้ถ้าเห็นน่าใช้ได้เห็นบ่อยไหมวันหนึ่งบ่อยมากเลยครับตัวไหนไ<ม>เกิดบ่อยตัวลงเนี่ยแหละครับโอ้ตอบถูกใช้ได้เห็นตัวกูเก่งไหมไม่ค่อยเห็นแล้วครับเหลอไป<ม>ดูซะ นะฮะหรือว่า ด, ดูไปมีกิเลสตัวไหนนะเรียนรู้ไปตัวไหนรู้จักแล้วเนี่ยมันจะหลอกเราไม่ได้ไอ้ตัวที่ยังไม่รู้จักเนี่ยมันจะหลอกเราได้งั้นเราก็ค่อยๆเรียนทำความรู้จักไอ้กิเลสไปนะทีละตัวทีละตั ว, ตวเรียนรู้ไปตัวไหนโผล่ขึ้นมาก็รู้ทันตัวไหนโผล่ขึ้นมาก็รู้ทันไปนะสังเกตไหมว่าเราเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองอะไรเงี้ยดูอกไหม ออเออตัวเนี้ยมันจะตัวพื้นมันจะเป็นตัวอัตตาตัวอัตตาเชื่อมั่นเชื่อมั่นงั้นเวลาเราเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นตัวเองนะรู้ทันอีกนี่ก็ความรู้สึกอย่างหนึ่งนะแต่เรามาักจะคิดว่าตัวนี้ไม่ใช่กิเลสนะเป็นเรื่องดีเชื่อมัน่นให้รู้ทันว่าตอนเนี้ยรู้สึกเชื่อมั่นแล้วรู้อย่างเนี้ยนะแล้วเราจะรู้ทันจิตใจได้ละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นไป พอเรารู้ทันจิตใจได้ละเอียดมากๆเนี่ยเราต่อไปเราจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคําพูดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทําสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคําพูดและา ก, าการกระทํ า, าส่วนใหญ่ก็คือกิเลสนานาชนิดนั่นเองเห็นความโลภมันทําให้คิดอย่างนี้ทําให้พูดอย่างนี้ทําให้ทําอย่างนี้ ความโกรธมันทําให้คิดอย่างนี้ทําให้พูดอย่างนี้ทําให้ทำอย่างเงี้ยงั้นเวลาเรามีพฤติกรรมนะเราคอยสังเกตว่าอะไรซ่อนอยู่นะอยเวลาเราสมมติเราคุยกับคนเนะี้ยเราเชื่อมั่นตัวเองสูงเนะียเรารู้ทันว่าเนี้ยรู้เรายึดความเห็นของเราว่าถูกอนะไรเงีนะ้ยเนี้ยรู้เราไปอะไรอยู่เบื้องหลังนะเนี่ยความมั่นใจในตัวเองนะ ในทางโลกเป็นเรื่องดีนะความมั่นใจในตัวเองในทางธรรมก็ดีใจจะได้เข้มแข็งแต่ว่าถ้ามั่นใจเยอะไปเลยบางทีก็เซลล์จัดไปนะกลายเป็นกิเลสได้กุศลนะกุศลเนี้ยพลิกไปพลิกมาได้ตลอดที่ควรฝึกใช้ได้นะฝึกดีอนุโมทนา ค, ค่อยๆเรียนตัวเองไปนะเรียนรู้กิเลสไม่ใช่เพื่อละกิเลส แต่เพื่อจะรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นก็รู้กิเลสตั้งอยู่ก็รู้กิเลสดับไปก็รู้รู้เท่าทันไปเพราะเรารู้เท่าทันแล้วมันจะมาบงการพฤติกรรมทางใจเราไม่ไดนะ้การคิดของเราก็จะสะอาดคําพูดซึ่งเป็นผลจากการคิดการกระทําซึ่งเป็นผลจากการคิดก็จะสะอาดไปด้วยนะถ้าใจสะอาดเสที่เดียวอย่างอื่นก็ดีไปหมดแหละต่อไปอ ค, ครับทุกครับ รำสารเจ้าค่ะตื่นเต้นเจ้ตื่นเ <laughs> ต้นดีรู้ว่าตื่นเต้นใช้ได้คือตอนแรกที่หลวงพ่อถามว่าได้ปฏิบัติบ้างหรือเปล่าอะคะ่ะหนูก็รู้สึกงงๆว่าจริงๆแล้วที่ว่าหนูปฏิบัติในรูปแบบไม่ได้อะเพราะว่าพอหลังปฏิบัติอะคะ่ะมันจะรู้สึกแน่นอย่างตอนเนี้ที่แน่นนะคะหลังจากเลิกปฏิบัติอะคะ่ะหรือไม่บางครั้งก็เหมึนๆงงๆ แล้วหนูฟังเทพหลวงพ่อบอกว่าถ้ามันไม่สว่างโล่งนั่นหมายถึงว่าทําผิดหนูก็เลยเริ่มปฏิบัติไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องสว่างหรือถูกนะไม่ใช่สว่างโล่งถ้าไม่สว่างโล่งแล้วผิดไม่ใช่จิตมืดรั้วมืดถูกนะจิตมืดแล้วก็จมแช่อยู่ความมืดไม่ถูกนะจิตสว่างแล้วก็พอใจยินดีในความสว่างไม่ถูก จิตสว่างรู้ว่าจิตสว่างถูกเพราะนั้นอยู่ที่รู้หรือไม่รู้นะแล้วก็พอจิตมันมันถูกต้องแล้วเนี้ยมันสว่างอัตโนมัติมันไม่มือดอยู่หรอกนะอย่างเราเห็นเนะี้จิตเรามือดอยู่เนี่ยเราดูลงไปว่ามันมืดเห็นใจมันไม่ชอบรู้ว่าใจมันไม่ชอบพอรู้ว่าใจไม่ชอบปุ๊บใจเป็นกลางปับนะ๊บเนียตัวมืด น, นี่ดับเองเลยนะ เพราะอะไรเพราะจิตดวงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลแล้วสว่างสวัยขึ้นมาแล้วนะงั้นถ้าจิตมืดเนี่ยเป็นไรไหมไม่เป็นขอให้รู้เท่านั้นแหละจิตมืดรู้ว่ามืดแต่ถ้ามืดเราก็แช่แล้วก็มืดไปเรื่อยๆอันนี้ใช้ไม่ได้นะนี่จมอยู่ในความมืดต้องไปดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพี้ยนอะไรแล้วละ่ะ นะทําอะไรผิดแล้วล่ะพาวนาล้วก็มืดคงที่แล้วก็บอกว่าความมืดเป็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตาอันนี้เพียนแล้วนะแล้วพอออกจากสมาธิเราเราจะรู้สึกแน่นหรเจ้าค่ะไอ้แน่นเพราะว่าตอนนั่งสมาธิไปนั่งบังคับอยู่นะถ้าออกจากสมาธิจริงๆมีแต่ความสุขนะสว่างว่างโล่งสบายนะเรานั่งให้หลวงพ่อดูสินั่งสมาธิเหมือนที่นั่งอหนะตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นก็ช่างมันก็นั่งไป ไม่ได้บังคับจิตให้สงบนะนั่งไปตรงนี้เริ่มบังคับแล้วรู้สึกไหมตรงนี้แหละถ้านั่งนานๆแล้วถอยเอาแขกสมาธิแล้วมันถืออึดอัดนะมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แหละงั้นเวลานั่งสมาธินะใช้ใจที่ปกติอย่างขณเ น, นี้ใจพวกเราปกติเรานั่งอยู่แล้วใช่ไหมใจของเราก็เป็นปกติอย่างนี้แหละเห็นไหมร่างกายมันนั่ง เห็นไหมร่างกายมันหายใจรู้ด้วยใจที่ธรรมดาแล้วสมาธิจะเกิดเองถ้าพอคิดถึงการปฏิบัติอย่างที่คุณทำอย่างนี้ไม่แน่นก็แปลกแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปเริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองให้เคร่งเครียดใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดานี่แหละไปทำสมาธิ ้จิตมันสงบเองอย่างขนาดนี้จิตเบิกบานรู้สึกไหมใช้จิตธรรมดาอย่างนี้แหล ะ, ะนะแล้วก็หายใจไปพุโทโธไปด้วยจิตที่สบายๆนะแป๊บเดียวก็สงบแล้วเนี่ยหลวงพ่อเวลาจะสงบเนี่ยมันบุบเดียวก็สงบแล้วอันนี้จะออกมานะออกพลุพลาดเดี๋ยวปวดหัวออกจากสมาธิค่อยๆถอยขึ้นมา อาคุณต่อไปกับกับนมัศกลหลวงพ่อครับก็รู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่จับฉลากได้ครับอืก็มองเห็นภาพข้างหน้าเนี่หมืนมนอนภาพมันสั่นๆครับอะไรนะตื่นเต้นตั้งแต่จับฉลากได้แล้วครับหลอนั่งสุศานจังอแล้วก็เห็นภาพข้างหน้าเนี่ยเหมือนภาพมันสันส่นๆนะครับ ห, หนอเตจใจนี่มันตื่นเต้นมากลางหน้าอกมาครับบังคับไม่ได้ดูออกไหมครับ เนี่ยดูไปเลยนะธรรมะกำลังสอนเราแล้วหลวงพอ่อยังไม่การต้องเทศเลยธรรมะในใจเราเริ่มสอนแล <_ d: S 1> ้วพวกมหายานนะเขาจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จริงของเขานะเนี่ยจิตเราเนี่ยแสดงอยู่ตลอดเวลาแสดงความตื่นเต้นให้ดูแสดงการบังคับไม่ได้ให้ดูเ น, นี่ยธรรมะทั้งนั้นแนหะ เราก็มีสติ ต, ตามาระลึกเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆนะที่ฝึอกอยู่ใช้ได้นะขอบพระคุณครับดีฝึกไปครับแต่อย่าให้ใจมันกว้างๆออกข้างนอกไปนะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ละคนที่ส่งกันบ้านนะสมาธิมันไม่ค่อยเข้าฐานใจมันกว้างๆสบายไปอยู่ข้างนอกอน ะ, ะเวลาลมหนาวโชยมานะใจมักจะเป็นแบบเนี้ยคนไทยนะ ถ้าฝรั่งลมหนาวโชยมามนะึคนไทยลมหนาวโชยมานะ <c oughs> นึกออกไหมเนื้อใจมันคว้าอกไปโว้ยนะให้รู้ทันว่าใจมันอยู่ข้างนอกครับผมนะยังอยู่ข้างนอกนะตอนนี้เร า, าหายใจซสีอย่าดึงจิตคืนนะหายใจเฉยๆหายใจแล้วเห็นร่างกายหายใจ ตรงนี้ตะกะตะ ก, ก, กี้ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมนี่แหละจิตมันเข้าบ้านแล้วนะอย่างตา ก, กี้จิตมันอยู่นอกบ้านนะเอาคนต่อไปขอบพระคุณครับหลวงพ่อมาตรการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะปฏิบัติในรูปแบบมาตรวจมวลนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ทำยังไงมันก็ยังมีจิตก็ยังฟุ้งออกข้างนอกอยู่อะค่ะมีวิธีไหนบ้างที่ไม่มี เราเคยชินที่จะฟุ้งซ่านนะพื้นจิตเรามันฟุ้งเก่งจะไปห้ามมันก็ห้ามไม่ได้หรอกนะก็แทนที่จะปล่อยให้มันฟุ้งไปก็มาอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปต่อไปจิตเคยชินที่จะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจมันก็จะฟุ้งน้อยลงนะเราต้องทำกรรมฐานช่วยจิตใจเฟดูจิตเฉยๆเราจะให้หายฟุง้งไม่หายเพราะมันเคยชินที่จะฟุ้งซ่าน เรต้องช่วยมันหายใจเข้าพุใหายใจออกโรไม่บังคับจิตหายใจเข้าพุให้ใจออกโทนะรู้สึกไปสบายๆต้องฝึกนะไม่ง้นของโยมมีจุดอ่อนนะมันช่างคิดเกินไปใช่ไหมใชค่ะมันจะคิดเลยทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกวิเคราะห์วิจัยวิจารอะไรตลอดเวลานะตัวเนี้ยเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติ การทำวิปัสสนาไม่ได้คิดเอาแต่คอยรู้สึกเอาเราคอยรู้สึกไปหายใจไปพุทโธไปนะใจฟุ้งซ่านก็รู้มันอยากคิดแล้วรู้ว่าอยากมันอยากหาคำตอบเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้ว่าอยากรู้ทันใจไปเรื่อยๆเหนี่ยวสมาธิมันจะเพิ่มขึ้น<า>ต่อไปวัฏสการข้าหลวงพ่อหลูงปฏิบัติถึงแค่ รู้ว่าจิตออกไปข้างนอกแล้วก็หลงก็รู้ค่ะได้ได้แค่ตรงเนี้ยแล้วแค่นี้ก็เก่งแล้วแต่หนูเดินปัญญายังไม่เป็นบางครั้งมันรู้สึกว่าเหมือนจะโมโหอะไรเงี้ยค่ะโมโหรู้ว่าโมโหไหมรู้รู้ค่ะดูไปสิโมโหมันเกิดเองสั่งให้มันเกิดเราไม่ค่ะนั่นแหละมันมาเองนะไม่ใช่เราหรอกตรงเนี้เลยปัญญานะ <S <S> <S เห็นว่ามันมาได้เองมันไปได้เอง มันเป็นอนัตตามันเห็นแค่เป็นบางครั้งค่ะธรรมดาเวลาเดินปัญญาไม่ดูตลอดเวลานานๆปัญญาจะเกิดทีหนึ่งถ้าเห็นตลอดเวลาแสดงว่าคิดเอาไม่ใช่เดินปัญญาจริงการเดินปัญญาจริงจะเกิดเป็นขณะๆไปทำอะไรอยู่ตอนนี้ ตอน น, ตอนนี้หนูก็ฟังหลวงพ่ออยู่ค่ะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ได้ฟังหลวงพ่ออยู่ตอนนี้ทำอย่างนี้ดูออกเปล่าดูออกค่ะเออดูออกแล้วก็อย่าทาสิก็ยังทําไม่เลิกอ่ะถ้าหลวงพ่อบอกทำไมทาไม่เลิกหนูต้องตอบอย่างนี้นะจิตเป็นอนัตตาค่ะ หลวงพ่อจะเถียงไม่ออกเลยทําไมมันเป็นอย่างนี้รู้ไหมเพราะมันตื่นเต้นใช่ค่ะใช่ไหมเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุหมดเลยมันตื่นเต้นแล้วมันทําให้เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ความอยากให้มันไม่ตื่นเต้นต่างหากละ่ะเราถึงเข้าไปควบคุมมันต้องมีตัณหาซ่อนอยู่ถึงเกิดพฤติกรรมคือการควบคุมตัวเองนะงันในที่ตื่นเต้นแล้วแน่นๆเนะี่ย แน่นๆก็ห้ามไม่ได้ตื่นเต้นก็ห้ามไม่ได้แต่ถ้าเราดูลงไปเห็นเอ๋อมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นได้เองเราไม่อยากให้ตื่นเต้นเราเลยเข้าไปควบคุมเนี่ยมีความไม่อยากเกิดขึ้นความไม่อยากก็เป็นความอยากชนิดหนึ่งนะความอยากให้ความตื่นเต้นไม่มีเป็นวิภวตัณหาพอเกิดตัณหาขึ้นมาทันทีที่มีตัณหาเนี่ยจิตจะต้องปรุงแต่งทันที ก็รปรุงแต่งความนิ่งๆิขึ้นมากดให้นิ่งไว้นะอันนี้เป็นสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันมีตัณหาตรงที่ปรุงขึ้นมาเนี่ยเป็นภพขณะเนี้ยเป็นภพนิ่งนิ่งนะเป็นภพของนักปฏิบัติผู้เรียบร้อยนะนิ่งนะิ่งเนี่ยตัณหามันสร้างภพถ้าหนูดูเข้าไปจนเห็นต้นต่อเห็นตัวตัณหาตัวอยากนะีอย่างขณะเนี้ยมันอยากอะไรอยากไม่ตื่นเต้นนะีถ้าเรารู้ทันตัวอยากตัวอยากดับ การบังคับก็ดับไอ้ที่เกล่งผิดปกติก็จะดับไปด้วยนียค่อยๆฝึกไป ค, คดูจนถึงต้นต่อมันนะต้นต่อมันก็คือตัวตัณหาเป็นตัวบงการให้เราทำมันโน้นทำมันนี้น้ำมัสการค่ะหลวงพ่อมาส่งกันบ้านครั้งแรก นั่งสมาธิเดินจงกงรมปฏิบัติภาวนามาไม่ทราบว่าหนูติดเพ่งหรือเปล่านิดหน่อย<า>นะติดเพ่งนิดหน่อยห้ามไม่ได้หรอก<า>นักปฏิบัติเกือบทุกคนอ<า>่นะถ้าปฏิบัติด้วยการเพ่งเอาห้ามไม่ได้หรอกแต<า>่เพง่งเราก็รู้เอานะทาไมเพ่งอยากสงบอยากเห็นอยากให้รู้ทันที่อยากนั่นแหละตัดต้นตอของมัน การกระทก็จะดับไปนะตัดตัวอยากชะความปรุงแต่งก็จะดับไปเราไปดับที่ตัวความปรุงแต่งไม่ได้ตัวความปรุงแต่งคือตัวสังขารหรือตัวภพอยู่ๆเราไปดับภพบเนี่ยไม่ได้แต่เราดับที่ตัวกิเลสได้คือตัวอยากเพราะฉะนั้นมันอยากสงบรู้ว่าอยากความอยากดับนะจิตสงบทันทีเลยนะพอมีความทุกข์จากจากโทสะ คนใจตัวค่ะอพอมากระทบผัสสะเข้ามันทำให้ใจเป็นทุกข์ค่ะแล้วมไม่ไม่รู้จะจัดการกับอารมณ์ตรงนั้นยังไงจัดการกับคนที่มากระทบไม่ใช่มาถึงจิตใจเราอะค่ะทำให้เหมือนฟุ้งซ่านมากขึ้นแล้วก็นอนไม่หลับหรืออะไร อ, อ, อย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าใช้ชีวิตประจำวันยังไงลองดูสิว่าอะไรทำให้มันฟุ้งซ่าน ก็เราโกรธโกรธมากทเออทาไมเราโกรธเพราไม่ได้อย่างใจค่ะไม่ได้อย่างที่อยากใช่ค่ะไปดูให้เดี๋ยวสุดท้ายมันลงที่อยากนะค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปมันเป็นกิเลสของเราใช่ไหมคะใช่เขาว่ามีพฤติกรรมอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วใตั้งแต่ก่อนจะมาแต่งกับเราแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะเออ นี่เราก็นึกว่าเขาจะดีนะพอมาแล้วมันไม่ได้อย่างใจใช่ใจเราอยากให้เป็นอย่างนี้เขาไม่เป็นอย่างนี้ความอยากของเรานี่แหละทำให้จิตใจเราว่าวุ่นขึ้นมาเราดูไปที่ใจของเราไม่ต้องไปดูเขานะเขาก็เรื่องของเขาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคิดซะ อ, อย่างนี้เราจะได้สบายใจ อย่างน้อยเราได้แก้แค้นแล้วเนี่ยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะแล้ว <c oughs> เราก็สบายใจขึ้นหน่อยเราต้มาดูเนี่ยใจเราเนี่ยอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นอยากให้เขาเอาใจเราไม่อยากให้เขาทำอย่างนี้มีแต่คำว่าอยากทางนั้นเลยนะสอนตัวเองไปเรื่อยดูไปนะถ้าดูไปเรื่อยๆนะความอยากลดลงความทุกข์มันก็น้อยลงกำลังกาลังดุ กำลังฝึกจะดูจิตที่เคลื่อนของตัวเองอด้วยค่ะที่มันเคลื่อนได้ก็เพราะอยากตันหาเป็นผู้สร้างพพเคลื่อนไปก็ไปสร้างภพนะถ้าดูเพราะมาที่อยากได้ก็สบายแนละ้วทุกคนนะนะไปดูทุกอย่างทุกพฤติกรรมทั้งหลายนะส่วนใหญ่ก็จะมีตัวตันหาซ่อนอยู่ข้างหลังหมดลนะหมดเลยสมควรแก่เวลา ก็วันี้มีผู้นำปัจจัยและทยธรรมนะครับมาถวายทางทีมงานก็จะได้นำถวายหลวงพ่อในลำดับถัดไปนะครับก็ข อ, ขอให้ทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายทานร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลาย ข, าาขอน้อมถวา ย, วายเครื่องปัจจัยและทยธรรม และสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชว์ขอหลวงพ่อได้โปรดรั บ, พรบเพื่อประโยชน์ชเพื่อความสุขแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกราบสิ้นการละนานเถินสาธุ